สุทธิกะสังคาที่เศษอุบายทำให้น้ำอาิจิเคลื่อนสี่อย่าง240วงเล็บหนึ่งพิกษุจงใจพยายามในรูปภายในน้ำอาศิจิเคลื่อนต้องอบัตสังคาที่เศษวงเล็บสองพิกษุจงใจพยายามในรูปภายนอกน้ำอาิจิเคลื่อนต้องอบัตสังคาที่เศษ วงเล็บสภิกษุจงใจพยายามในรูปภายในและภายนอกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบสังคาธิเศษวงเล็บสภิกษุจงใจพยายามสายสเอลในอากาศน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบสังคาทิเศษ